ท่านฟังที่เคารพคะ่ะอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเรามาพบกันอีกแล้วคะ่ะหลังจากที่หยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปโดยพระมารชาควโรวัดนาปะาพง์ลำลูกกาคลองสิบท่านก็ได้นําเข้าสู่การปฏิบัติธรรมไปก่อนในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะพร้อมทั้งได้อ่านพระสูตรซึ่งเป็นพุทธวจนะที่เรามีหนังสือแจกให้กับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาด้วยตนเองวันละสามเล่มสาท่านด้วยเป็นความเมตตาจากพระอาจารย์คึกฤทิปโสธิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพง์ ที่พระมาชาคาวโรจำพรรษาที่นั่นเองค่ะวันนี้ท่านพิบูลโดยตัวเองของท่านเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่นอร์เวย์แต่ว่าเสียงของท่านอยู่ที่นี่ไปพบกับท่านได้เลยค่ะน้ำมัสการะทั้นคะเจริญพค่ะก็เป็นสัปดาห์ที่ท่านรู้สึกว่าหนักไหมคะก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยค่ะเออก็ต้องมีการเตรียมการมากเพราะว่าทั้ง เรื่องที่จะไปก็ตามเรื่องที่อยู่ที่นี่ก็ตามเนี่ยแต่มันเราต้องต้องคิดมากกว่าปกตินิดนึงแต่ก็สามารถทําได้อยู่เพราะว่าเอ่อไอเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆแก้ไขไปอะนะท่านคะที่นู่นมีวัดไทยไหมคะมีอยู่มีทั้งวัดทั้งที่เป็นวัดพระของพระฝ่ายปฏิบัติแล้วก็มีฝ่ายอ่าตัวทั่วไปก็มีเหมือนกันอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่ามีทั้งสองมีทั้งธรรมยุทธ กับม ห, มหานิกายใช่ใช่ใชค่ะวัดป่านี่ถือว่าอยู่ในฝ่ายไหนคะเอวัดป่านี่ก็มีทั้ง อ, อธรรมยุทธ์แล้วก็มานิกายนะอ๋อค่ะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันนะเพราะบางทีคนนึกว่าถ้าเป็นวัดป่าปุ๊บต้องไปอยู่ในฝ่ายของธรรมยุทธ์มไม่เสมอไปนะคะใช่เ อ, อแล้วก็วัดป่าของฝ่ายมานิกายก็มีอย่างของสายอหลวงพ่อชาเนี้ย ก็เป็นวัดป่าของฝ่ายมานิกายอ๋อค่ะค่ะและมาถึงอตอนนี้สำหรับท่านเพริพูนดิฉันจะตัดตอนไปที่เรื่องของพุทธชยันตีเลยจะแล้วกันนะคะเจพพุทธชยันตีวันนี้ก็จะนำเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นแม้กระทั่งเทวดาพระองค์ก็สอนเหมือนกันนะมีหลายๆครั้งที่อนอกจากพระภิกษุกษัตริ ชาวนาชาวบ้านร้านตลาดอะไรที่เป็นคนธรรมดาที่เราเห็ น, หนอยู่เนี่ยมาสอบถามคำถามมาฟังธรรมะอะไรต่างๆก็มีเทวดานะตามที่ปรากฏเป็นพุทธวจนะอยู่หลายๆครั้งคุณยมติ๋วลองจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะหลังจะตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะแสดงธรรมเทศนาก็ยังได้คุยกับพรม ค่ะสามบดีพรหมมดีรจำได้แม่นเลยเพราะว่าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับชาวโลกนะคร <c oughs> ใช่ <c oughs> แม้จะไม่มีสามบดีพรหมนี่นะเราเราก็คงจะเดือดร้อนกันมากกว่านี้นะ <c oughs> เราคงไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ <c oughs> แล้วก็ยังมีพระอินค่ะพระอินคือเท้าสะกะเทวราชยังมียักษ์นะพวกยักษ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเทวดาชั้นจตุมาราชิกา ยังมีนาคนทันพวกนี้มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าหมดเลยเแล้วก็ยังมีเทวดาที่อยู่ในชั้นปรินิเวศสวัสดีนั่นก็คือมารเหมือนกันมารนี้ก็เป็นเทวดาชั้นหนึ่งเป็นเทวดาในชั้นสูงสุดด้วยของฝ่ายเทวดาแต่เรียกว่ามารแต่เรียกว่ามารใช่ ค, คือคือมารเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนจะมีอยู่ในสองภพคือเทวดาเขาจะมีอยู่หกภพมีอยู่หกชั้นจะมีอยู่ชั้นที่ สกับชั้นที่6เท่านั้นเองที่จะมีฝ่ายตรงกันข้ามกันอย่างถ้าเป็นชั้นที่2นี่ก็คือชั้นดาวดึงใช่ไหมก็จะมีฝ่ายเท้าสกะเทวราชแล้วก็ฝ่ายที่ตรงข้ามกับเท้าสกะเทวราชก็เรียกว่าอาสูรพบของอสูรแล้วก็มีหัหน้าชื่อเท้าเว ป, ปจิตยอย่างเงี้ยส่วนก็เรียกว่าเทวด า, าก็เรียกว่าเทวดาใช่เป็นเทวดามันกันอยู่ในชั้นดาวดึงนี้แต่เป็นฝ่ายอสูรเป็นฝ่ายอสูรค่ะส่วนขึ้นไปชั้นที่6 แล้ก็มีแยกเป็น2 ส, ส่วนเหมือนกันคือส่วนที่เป็นเทวดาธรรมดาแล้วก็ส่วนที่เป็นมารนะในยูนชั้นปรจจุบันนีน้สวัสดีซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดในภพของเทวดาชั้นกา ม, มากา ม, มาภูมิกา ม, มาภพส่วนที่ขึ้นไปนั่ก็เป็นพรมละพรมนี่ก็จะเป็นนะก็เรียกว่าชั้นรูปประพรมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าเพราะว่าในชั้นพรมเนี่ยไม่มีกามแมแต่ ค, ความสุขชนิดที่เกิดจากสัญญา แล้วเทวดาทุกประเภทนี้มาฟังพระพุทธเจ้าหมดไหมคะมาหมดเลยเพราะว่าดูจากรายชื่อที่อยู่ในพบภูมิทั้งหมดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยน ะ, ะ, ะจะตุมาราชการนี้มาแน่นอนอขึ้นไปดาวดึงเท้าสกัดเทวราชมาแน่นอนพระพุทธเจ้าเคยพูดกับท้าเวียประจิตอันนี้แน่นอนถัดขึ้นไปชั้นดุษิีก็เคยมีเทวดาชั้นดุษิีมาฟังถัดขึ้นไปปรินิพพัทสวัสดีทีอ่อาจจะไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่ ก็คื อ, อเทวดาชั้นปานนี้มาตัดสวัสดีที่ไม่ใช่มานอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นเทวดาเฉพาะเจะจงว่ามาจากชั้นนี้มาฟังธรรมนะแต่ว่ามีได้มีปรากฏอยู่ในตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมแสดงธรรมจักเข้าไปตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมจักเสร็จแล้วอัญญาโกธัญญะเนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมก็มีเสียงบรรลือกึกก้องขึ้นไป จากพบของมนุษย์ขึ้นไปไล่บรสวรรค์ขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นพรมเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบันทึกมานะค่ะ <c oughs> แต่ก็ให้เป็นความรู้ที่เป็นประเด็นหลักก็คือให้ทราบว่ารพระพุทโธงสแสดงธรรมเนี่ยแม้แต่เทวดา ย, ยังมาฟังอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ทีนี้พวกอย่างที่ต่ำของมนุษย์ลงไปคอย่างเทอเรศอสุรกาย คืออสูรกับอสุรกายไม่เหมือนกันนะค่่ะอสูรนี่คือยังเป็นเทวดาแต่อสุรกายนี่เป็นภพที่อยู่ในวินิบาทแล้วอ๋อโอ้นี่น่าสนใจมากนะคะว่าอสูรกับอสุรกายไม่เหมือนกันใช่อสูรกายนี่เป็นพวกวินิบาทต้องทนความทุกข์ถูกเผาบ้างถูกไหม้บ้างหิวบ้างพวกนี้คืออสุรกายอแต่อสูรเนี่ยคืออสุรกายนี่ก็คือโกสเป็นผีนั่นเองที่ที่เราเข้าใจกันอพวกเปรตอสุรกายพวกเนี้ยเป็นอยู่ใน เทอเดียวกันมีมความทุกข์ทั้งนี้พวกพวกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามาฟังธรรมะพรุทธเจ้ า, านะถ้าเป็นอสุรกายแล้วหมดสิทธิ์เลยใช่ไหคะคเป็นวินิบาตเออคือเขาจะไม่ได้มีความอิสระในการที่จะมาขอฟังธรรมในลักษณะนี้จะมีก็แค่มาขอส่วนบุญนะก็ปรากฏอยู่มีคือไม่ได้เที่ยวไปตามใจได้ ค, คือเป็นไปตามอำนาจของ ความหิวไปด้นของความอยากพวกนี้ไปท่านคะในไหนก็ขึ้นต้นมาเรื่องนี้ดิฉันขอพอออกจากพุทธชยันตีก็ยังขอกลับเรียนถามท่านในเรื่องนี้ต่อก่อนได้ไหมคะช่ว่าได้ค่ะนะคะท่านฝังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระลึกนึกถึงพระ บ, บรมศ า, าสดา ข, ของเราในโอกาสที่ได้ตรัสรู้มาแล้วสองพันหกร้อยปีด้วยการรู้คุณสมบัติของท่านในแง่ที่ว่าแสดงธรรมไม่มีประมาณแล้วก็มี พวกสัตว์น้อยใหญ่รวมไปถึงเทวดาทุกประเภทก็มาฟังธรรมที่ท่านแสดงเว้นแต่พวกที่เป็นสัตว์ในฝ่ายที่อยู่ในนรกเปรตอสุรกายวินิบาตนรกทั้งหลายเนี่ยใช่ที่ต่ำว่ามนุษย์ลงไปหาที่ต่ำว่ามนุษย์ลงไปโอ้โหพวกเราโชคดีมากเลยนะคะชิวเฉียดเกดือบจะไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วท่านคะทีนี้ เราก็จะมากลับเรียนถามต่อเนี่ยแหละนะคะดิฉันเองจึงเกิดความสงสัยว่าเอา่อพวกเราเนี่ยอยู่ในจุดต้องบอกว่าตรงกลางถูกไหมคะเพราะว่าต่ํากว่าเราฟังทําไม่ได้แปลว่าเป็นพวกเป็นพวกอาซูนเป็นพวกเปรตเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ใช่ทีนี้ถ้าสูงกว่าเราเนี่ยคือเทวดาอย่างนั้นหรื อ, อยังไงคะอถ้าสูงขึ้นไปกว่าเราก็เป็นเทวดาขึ้นไปใช่ท่านจตุมหาราชิกาเราเองสามารถเป็นเทวดาได้ไหมคะ อ๋อถ้าคุณมีศีลนะคุณเป็นเทวดาเลยนะอืคุณมีศีลเนี่ยเป็นเป็นเครื่องทําให้ไปสู่ความเป็นเทวดาอ๋อเหรอคะในผู้ทวจรณะเหรอคะศีลเป็นเครื่องทําให้ไปสู่ความเป็นเทวดาศีลเนี่ยทําให้ศีลละีเลนะสุกติยันติศีลทำให้มีความสุขใช่ไหมสีเลนะผกสะสมปทาสีเลนะนิพุติยันติี่คือศีลทําให้ถึงนิพานศีลทําให้เป็นผู้ที่มีผกย์ แล้วสีเนี่ยเป็นเพื่อแสดงถึงวันณนะวันนะงามก็บกเทวดาเนี่ยวันนะงามแต่เพราะฉะนั้นถ้าศีเราปฏิบัติตามศีลแล้วจะไปสวรรค์พุชาวา ง, งัยศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์นอกจากสีลแล้วการให้ทานพุชาก็าบอกว่าคุณให้ทานนะคุณก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์หวังนั้นผู้ที่ให้ทานค่ะดังนั้นเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็จึงหมายความว่า จะได้ไปเป็นเถิดาใช่ทีนี้โอกาสพลาดไปเป็นต่ํากว่ามนุษย์กันทั้งนะเป็นโอกาสใดคะอก็ทําความชั่วทําความบาปเช่นอฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดศีทั้งหมดนะ ม, มิชาวาจาทั้งหมดแล้วก็พวกอคติศนกรรมบททั้งสิบอย่างเป็นทางกายสามอย่างใช่ไหมฆ่าสัตว์รักทรัพย์รู้ผิดในการมเป็นทางวาจาสี่อย่างใช่ไหมพูดปดพูดเปิร์เจอร์พูดคาหยาบพูดส่อเสียด เป็นทางใจสามอย่างคือพวกที่มีความอค่าพยาบาทความเพ่งเลงมุ่งร้ายแล้วก็เป็นพวกมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้มีทุกติมิิบาตรรกเป็นที่ไปท่านคะฟังดูมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่าความผิดแบบนี้มันเกิดได้ง่ายมากนะคะไม่ว่าตั้งแต่อาจจะเผลอไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยหยิบของใครเข้ามาบ้างหัวใจใมันไหวแวบไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของบ้างออืพูดจาไม่ จริงบ้างอ <ừng> แล้วก็อดื่มเครื่องดื่ม ม, มึนเมาบ้างนะ <ừ> คะอย่า ง, งนี้ไปนรกเลยเหรอคะบ้างบ้างเนี่ยคะบ้างคืออย่างนี้อออไอ้ผลของกรรมที่จะให้ผลเนี่ยนะมันก็ต่างโอกาสต่างวารณะนะคือหมายความว่าตอนช่วงที่เราตายไปเนี่ยค่ ะ, ะช่วงที่ตายไปแล้วเนี่ยจิตใหม่ที่จะกล้าไปเกิดตรงนั้นเนี่ยก็ ค, คืออย่างจากที่จิตสุดท้ายสมมุติจิตเราจะตายออกจากร่างใช่ไหมคือจิตเราจะตายเนี่ยมันดับไปใช่ไหมดวงใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ม, มันอาศัยอํานาจอะไรในการเกิดขึ้นถ้ามันอาศัยอํานาจของกุศลธรรมในการเกิดขึ้นสิ่งที่หวังได้คือสุกติโลกสวรรค์ที่เป็นกุศลถ้ามันอาศัยอํานาจของอ ก, กุศลธรรมเกิดขึ้นนะสิ่งที่จะหวังได้คือไปทุกติวินิบัติรกเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายตอนที่เราเราจะตายเนี่ยจึงเป็นจิตที่สําคัญทําไงถึงเราจะนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเพราะนมเว็นหยงงีคุณโยมติวเวลาในทั้งชีวิตอย่างสมมติในปีที่ผ่านมาเนี่ยสองพเนี่ย ห้าสี่ที่บานมาเนี่ยถามว่าคุณจําเหตุการณ์ทั้งปีเนี่ยได้สักกี่เหตุการณ์ที่สําคัญสาคัญมันก็สักสองสามอย่างอย่างมากถูกไหมส อ, องส า, า, ามาอย่างอย่างมากเนี่ยในหนึ่งปีเราจําได้คําว่าสองสามอย่างอย่างมากนี่คือทั้งปีนะสิบสอเดือนถ้าถามว่าเอาไปดูในหนึ่งเดือนคุณจําได้เหตุการณ์สองอย่างอย่างมากก็สองสามอย่างกัน แล้วในสองสามอย่างของทั้งหมด12สองเดือนเนี่ยคุณเลือกมาอีกสองสามอย่างที่คุณจําได้ในปีนั้นในทั้งชีวิตในสิปีของคุณเนี่ยคุณเลือกมาสองสาอย่างหรือสามสีอย่างที่คุณจาได้ในปีนั้นใช่ไหมแล้วในทั้งชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็เลือกมาสักอีกสองสามอย่างที่คุณจะนึกถึงได้ในเวลานั้น <ừ. S 1> ก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ความน่าจะเป็นที่จิตเราจะไปนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทํามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันนึกถึงเรื่องที่เป็นบวกหรือเป็นลบล่ะค่ะอืม เพราะฉะนั้นเราทําความดีมากๆความน่าจะเป็นที่เราก่อนจะตายเนี่ยเราไปนึกถึงในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่สักตอนใดตอนหนึ่งที่ยังเป็นบวกนะอันนี้ถ้าเราทําความดีมากๆจะมีความน่าจะเป็นที่เป็นอย่างนั้นได้ค่ะอแล้วเท่ากับว่าอาต้องหาวิธีที่จะทํำยังไงที่นึกอะไรก็เป็นบวกสูงไหมคะใช่ใช่เพราะว่าคือตรงนี้เราต้องมีอํานาจเหนือจิตไงในการที่จะจะแสดงอ่าคิดไปในเรื่องใดก็ได้ อืตรงนี้มันอันตรายนะคุณโยมติ๋วอย่างเวลาเราเราเจอคนที่ไม่ดีเขามาทําให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะคิดถึงเขาเลยคิดทีไรแล้วมันปดวดหัวทุกทีแต่เดี๋ยวมันก็ไปคิดอยู่เรื่อยนี่จิตตรงนี้มันบังคับควบคุมได้ไหมถ้าคุณบังคับควบคุมไม่ได้นี่คือความเสี่ยงละ่ะค่ะอืใครที่คิดว่ามันง่ายให้ลองเดี๋ยวนี้เลยนะคะอืถ้าลองบอกว่าตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยจะ สนใจอยู่แต่ว่าเรากำลังหายใจอยู่เท่านั้นท่านจะได้พบเลยค่ะไอเรื่องที่ท่านไม่อยากคิดอ่ะมันจะลุมล้อมอนเข้ามาอันนี้นะคะเป็นเป็นเกมที่สนุกมากแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอการที่จะให้จิตสุดท้ายนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราทำาพราในชีวิตบางทีมันก็มีพอสมควรเหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าบางทีเราก็ไม่คิดความคิดที่มันสั่งไม่ได้หรื อ, อยังไงคะท่านคะคือมันดูเหมือนจะสั่งได้ไง เราดูเหมือนว่าเราจะสั่งได้เราอยากจะกินนี่เราก็สั่งได้คิดนี่เราก็คิดได้เอแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางหลุดออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เลยหกอย่างนี้นทําให้เราจริงๆแล้วเราถูกขังอยู่ในหกอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะสั่งให้จิตของคุณไปออกนอกหกอย่างเนี้ยมันทําไม่ได้เลยนะคุณไม่มีอำนาจเลยเและไอ้ที่เราไอ้ที่เราคิดว่าเราคิดนั่นคิดนี่ได้เนี่ยจริงๆแล้ว มันก็เป็นแค่ถูกหลอกให้อยู่ในแค่หกอย่างนี้เท่านั้นเองอคือเหมือนนักโทษอะ่ะเขามีเขามีอิสระก็ภายใต้ก็ ก, กงรงสี่เหลี่ยมก็เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแน่ต้องต้องอย่าประมาทเพราะว่า อ, อันนี้กำลังกลับเรียนถา ม, มท่านไพบูลถึงว่าโอกาสที่ เราจะไปดีไปไม่ดีก็เปรียบเทียบง่ายว่าเออเราเป็นเทวดาได้ไห ม, มเราตกต่ากว่าการเป็นมนุษย์ที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะฟังธรรมของพระศ า, าสดาอืเพราะฉะนั้นนี่แหมจินตนาการไปนะคะคนที่ตกไปอยู่ตรงนั้นแล้วโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคนนี่นยากมากยากมากยากมากจริงจงมันมันจะก้าวขึ้นมาพ้นได้อย่างไรคะสมมติเผื่อเลือเผื่อขาดเผื่อมันพลาดไปแล้วอะ่ะเอออันนี้มีกระบวนการอยู่ ก็เดี๋ยว<ฆ>จะมาพูดต่อนในวันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ไม่พอแล้วใช่ไหมคะใช่ขออภัยค่ะทีฉันก็เพลินเริ่มดูเวลาเลยเพราะว่ายัางไงเสียมีความรู้สึกว่ามันจําเป็นมากนะต้องรู้กันเอาไว้นะคะวันนี้ก็นมสการขอบพระคุณท่านพี่บุญใหญ่หยิ่งเลยนะคะ พ, พวกเราก็จะรอคอยการกลับมาอย่างเป็นทางการของท่านจากนอร์เวย์ก็แล้วกันค่ะแต่ตอนนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีเสียงท่านอยู่วันต่อๆไปก็มีจนกว่าจะกลับนั่นแหละนะคะนมสการค่ะแน่ใจผ่าน การท่าทั้ที่รบคาท่า น, นทั้งหล า, ายในช่วงหลาของรายการสันสนีสนทนานะคะซึ่งดําเนินรายการโดยสันสนีนาคพงเราก็มีความรู้ของพระบรมศาสดาเนี่ยราคามาฝากกับท่านในรูปของพุ้ทวจนะที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายเข้าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะด้วยนําปฏิบัติธรรมในช่วงต้นด้วยแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะนัดแนะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็ขอให้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วไม่เป็นการเรียนรู้แล้วเสียเปล่านะคะนำเอาไปใช้กันรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากพระาศาสดาของเราอย่างเต็มที่พุทธวัตรสวัสดีค่ะ